ธูดงพวักหมวดว่าด้วยธุดงถืออยู่ป่าเป็นต้นท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่ามีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ถืออยู่ป่านี้มีห้าจำพวกคือหนึ่งเพราะเป็นผู้โง่เขลางมงายจึงอยู่ป่าสองเป็นผู้มีความปรารถนาเลวทราม ถูความอยากครอบงำจึงอยู่ป่า 3. เพราะมัวเมาจิตฟุ้งซ่านจึงอยู่ป่า 4. เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกพระพุทธเจ้าสรรเสริญจึงอยู่ป่า 5. เพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษขัดเกลว์ความเงียบสงัดและเพราะอาศัยว่าการอยู่ป่ามีประโยชน์ด้วยการปฏิบัติอันงามนี้จึงอยู่ป่าอุบาลี ภิกษุผ right. ู s right. <S <pen> ้ถ right. ืออยู่ป่ามีห้าจำพวกนี้แลท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถือเที่บินธบาตมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าค่าและถึงภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าค่าภิกษุผู้ถืออยู่โคนไม้มีเท่าไหร่น้อแลพระพุทธเจ้าค่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้ามีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าค่าภิกษุ ผู้ถืออยู่กลางแจ้งมีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าค่าภิษุผู้ถือทรงผ้าสามผืนมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าค่าภิษุผู้ถือเที่ยวตามแถวมีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าค่าภิษุผู้ถือการนั่งมีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าค่าภิษุผู้ถืออยู่ในอาสนะตามที่จัดไว้มีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าค่าภิษุ ผู้ถือนั่งฉันณอาสนะแห่งเดียวมีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้ถือการห้ามพัดที่เขานำมาถวายเมื่อภายหลังมีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้ถือการฉันเฉพาะในบาทมีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ถือการฉันเฉพาะในบาดนี้มีห้าจำพวกห้าจำพวกคือ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 เพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษขัดเกลวความเงียบสงัดและเพราะอาศัยว่าการฉันเฉพาะในบาทมีประโยชน์อันงามนี้จึงถือการฉันเฉพาะในบาทอุบาลีภิกษุผู้ถือการฉันเฉพาะในบาทมีห้าจำพวกนี้แลทุดงควักที่หกจบหัวข้อประจำวักภิกษุเถืออยู่ป่าเถือเที่ยวบินทบาทเถอผ้าบางสกุล เธออยู่โคนไม้เธออยู่ป่าช้าเธออยู่ในที่กลางแจ้งเธอทรงผ้าสามผืนเธอเที่ยวตามแถวเธอการนั่งเธออยู่ในอาสนะตามที่จัดไว้เธอนั่งฉันณอาสนะแห่งเดียวเธอการห้ามพัดที่เขานำมาถวายเมื่อภายหลังเธอฉันเฉพาะในบาทเจมุสาวาทวักหมวดว่าด้วยมุสาวาทท่านพระอุบาลีทูลถามว่า มุสาวาตมีเท่าไรหน้อแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีมุสาวาตนี้มีห้าอย่างคือ 1. มุสาวาตที่ถึงขั้นอาบัติประชิกมีอยู่ 2. มุสาวาตที่ถึงขั้นอาบัติสังฆธิเศตมีอยู่ 3. มมุสาวาตที่ถึงขั้นอาบัติทุนละใจมีอยู่ 4. มุสาวาตที่ถึงขั้นอาบัติปาจิตติมีอยู่ มุสาวาทที่ถึงขัานอาบัตทุกกฎมีอยู่อุบารีมุสาวาทมีห้าอย่างนี้แลงดอุโบสถหรือปวารณาท่านพระอุบารีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแลงดอุโบสถหรือปวารณาในถ้ำกลางสงสงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าทุ่มเถียงกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันดังนี้แล้วจึงทาอุโบสถหรือปวารณาพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกสุผู้ประกอบไดยองค์ห้างดอุโบสถหรือปวารณาในถ้ำกลางสงสงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกสุอย่าทุ่มเถียงกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันดังนี้แล้วทาอุโบสถหรือปวารณา องค์าคือหนึ่งเป็นอัชี 2. เป็นคนโง่เขลาสไม่ใช่เป็นปะกะตตะสเป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้เคลื่อนจากาศาสนา 5. ไม่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้ออกจากอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองหานี้แหลงดอุโบสถหรือภาวนาใน่้ำกลางสงสงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าทุ่มเถียงกัน อย่าทะเลาะกันอย่าแข่งแย่งกันอย่าวิวาสกันดังนี้แล้วทําอุโบสถหรือปวรารณาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อีกอย่างงดอุโบสถหรือปวารณาในถ้ำกลางสง์สงพึงกล่าวห้ามว่าพอทีภิกษุอย่าทุ่มเถียงกันอย่าทะเลาะกันอย่าแข่งแย่งกันอย่าวิวาสกันดังนี้แล้วทําอุโบสถหรือปวรารณา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 พอทีภิกษุอย่าทุ่มเถียงกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันดังนี้แล้วทำอุโบสถหรือปวารณาองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้คำซักถามท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแลทรงไม่ควรให้คำสักถามพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าสงไม่ควรให้คำซักถามองค์5คือ 1. ไม่รู้อาบัตและอนาบัตส 2. ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักสไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือสไม่รู้อาบัตช่วยหยาบและอาบัตไม่ช่วยหยาบ 5. ไม่รู้อาบัติที่ทำคืนได้และทำคืนไม่ได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แล สงไม่ควรให้คำสักถามอ ง, อง์ของภิกษุผู้ควรให้คำซักถามอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 5, สงควรให้คำสักถามา อ, อ ง, งค์5คือ 1. รู้อาบัตและอนาบัตส 2. รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3. รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. รู้อาบัตช่วยหยาบและอาบัตไม่ช่วยหยาบ ห้ารู้อาบัติที่ทําคืนได้และทําคืนไม่ได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลสงควรให้คําซักถามภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการห้าอย่างท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งเพราะไม่ละอาย 2. เพราะไม่รู้สเพราะสงสัยแล้วคืนทำสเพราะสำคัญในของที่ไม่ควรว่าควร 5. เพราะสำคัญในของที่ควรว่าไม่ควรอุบาลีภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการห้านี้แลอุบาลีภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการแม่อื่นอีกห้าอย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ฟังสหลับสเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น ลืมสติอุบารีภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการห้านี้แลเวนหท่านพระอุบารีทูลถามว่าเวนมีเท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบารีเวนนี้มีห้าอย่างคือ 1. ค่าสัตว์มีชีวิต 2. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้สประพฤติผิดในกาม สพูดเท็จห้าดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอุบาลีเวนห้านี้แหลงดเว้นเวนห้าท่านพระอุบาลีทูลถามว่าเจตนางดเว้นจากเวนมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีเจตนางดเว้นจากเวนนี้มีห้าคือ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 ความเสื่อมห้าท่านพระอุบาลีทูลถามว่าความเสื่อมมีเท่าไรหน้อแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีความเสื่อมนี้มีห้าอย่างคือหนึ่งความเสื่อมญาตสองความเสื่อมพภอขสมบัติสความเสื่อมคือโรคสความเสื่อมศีลหความเสื่อมทิฏฐิอุบาลีความเสื่อมมีห้าอย่างนี้แล สัมปทาหท่านพระอุบาลีทูลถามว่าความถึงพร้อมมีเท่าไรหน้อแลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีความถึงพร้อมนี้มีห้าอย่างคือ 1. ญาติสัมปทาความถึงพร้อมแห่งญาติ 2. โภคสัมปทาความถึงพร้อมแห่งโภคะ 3. อโรขยะสัมปทาความถึงพร้อมแห่งความไม่มีโรค สศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีลหทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งความเห็นอุบาลีความถึงพร้อมมีห้าอย่างนี้แลมุสาวาทวรักที่เจ็ดจบหัวข้อประจำวักการกล่าวมุสาวาทการกล่าวห้ามการกล่าวห้ามอีกในหนึ่งคำถามอาบัติอาบัติ อ, อีกในหนึ่งเวณ เจตนางดเว้นจากเวรความเสื่อมสัมปทาจะเป็นวักที่เจ็ดกพิขุโนวาทวักหมวดว่าด้วยการให้โอวาทภิกษุณีองค์สำหรับลงโทษ ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแลพิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษคือภิกษุณีสง์ไม่พึงว่าภิกษุนั้นองค์หคือหนึ่งเปิดกายแสดงแก่ภิกษุณีทั้งหลายสอง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 ภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษคือภิกษุณีสง์ไม่พึงไหวภิกษุนั้นองค์5คือ 1. นึ่ขนควายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุณีทั้งหลาย 2. องขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุณีทั้งหลาย 3. ามขนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุณีทั้งหลาย 4. ด่าบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย 5. ยุยงภิกษุณีทั้งหลายให้แตกกันปูบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษเคอภิกษุณีสง์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้นอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกภิกษุณีสง์ฝ่ายเดียวพึงลงโทษเคอภิกษุณีสง์ไม่พึงไหว้ภิกษุนั้นองค์ห้าคือหนึ่งขนควายเพื่อไม่ใช่ลาภของภิกษุณีทั้งหลายสองขนควายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุณีทั้งหลายส ขนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุณีทั้งหลาย 4. ด่าบริภาภิกษุณีทั้งหลาย 5. ชักชวนภิกษุให้มาคบหารักกับภิกษุณีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษเพือภิกษุณีสง์ไม่พึงไหวภิกษุนั้นองค์สำหรับลงโทษภิกษุณีท่านพระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุณีประกอบด้วยองค์เท่าไรหนอแลสงพึงลงโทษได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุณีประกอบด้วยองค์ห้าสงพึงลงโทษองค์ห้าคือ 1. เปิดกายแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย 2. เปิดขาอ่อนแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย 3. เปิดแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย 4. เปิดไหลทั้งสองแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย 5. ชักชวนสตรีเคราะห์ให้มาคบหารักกับภิกษุอุบาลีสงพึงลงโทษพิกษุณีประกอบด้วยองค์5นี้แหลอุบาลีสงพึงลงโทษพิกษุณีประกอบด้วยองค์5แม่อื่นอีกองค์5คือ 1. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุทั้งหลาย 2. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของพิกษุทั้งหลาย 3. ขนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของพิกษุทั้งหลาย 4. ด่าบริภาภิกษุทั้งหลาย 5. ยุโยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกันอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุณีประกอบด้วยองค์หนี้แลอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุณีประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกคือ 1. นึ่งขนควายเพื่อไม่ใช่ลาบของภิกษุทั้งหลาย 2. ขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของภิกษุทั้งหลาย 3. ขนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของภิกษุทั้งหลาย สดาบริภาภิกษุทั้งหลายหาชักชวนภิกษุนี้ให้มาคบหารักกับภิกษุอุบาลีสงพึงลงโทษภิกษุณีประกอบด้วยองค์ห้านี้แลองค์ของภิกษุไม่ควรให้โอกาสแทนพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรนอแลไม่ควรให้โอกาสแก่ภิกษุณีทั้งหลายพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หไม่ควรให้โอกาสแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์หคือ 1. เป็นอลชีสองเป็นคนโง่เขลาสไม่ใช่ปะกะตตะสเป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้เคลื่อนจากศาสนา 5. ไม่เป็นผู้กล่าวประสงค์จะให้ออกจากอาบัติอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่ควรให้โอกาสแก่ภิกษุณีทั้งหลายอุบาลี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 เป็นผู้อยู่คลุกคลีกับภิกษุนีทั้งหลายด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรให้โอวา่าแก่ภิกษุนีทั้งหลายอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกไม่ควรให้โอวา่าแก่ภิกษุนีทั้งหลายองค์ห้าคือหนึ่งเป็น阿拉ชีสองเป็นคนโง่เขลาสามไม่ใช่เป็นปะกะตตะ 4. เป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะ 5. เป็นผู้ไม่ทำศิขาให้บริบูรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคหานี้แหลไม่ควรให้โอว่าแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรรับให้โอวา่าแท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแลไม่ควรรับให้โอว่าแก่ภิกษุณีทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้า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 อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรรับให้โอวา่าแก่ภิกษุณีทั้งหลายอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่ควรรับให้โอวา่าแก่ภิกษุณีทั้งหลายองค์หคือ 1. เป็น阿拉ชีสองเป็นคนโง่เขลาสไม่ใช่ปะกะตตะ 4. เป็นผู้กำลังจะเดินทาง 5. เป็นไข้อุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรรับให้โอว่ากับภิกษุณีทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วยท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าองค์ห้าคือ 1>, 1. ไม่ประกอบด้วยศีลขันอันเป็นอเศะคะ 2. ไม่ประกอบด้วยสมาธิขันอันเป็นอเศะคะ 3. ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอเศะคะ 4. ไม่ประกอบด้วยวิมุติขันอันเป็นอเศะคะ 5. ไม่ประกอบด้วยวิมุติญาณทัศนขันอันเป็นอเศะคะอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แล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 สประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอเศะคะ 4. ประกอบด้วยวิมุติขันอันเป็นอเศะคะ 5. ประกอบด้วยวิมุติญาณทัศนขันอันเป็นอเศะคะอุบาลีภิกษุทั้งหลายควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5นี้แลองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสนทนาด้วยอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกษุ ประกอบด้วยองค์หาแม้อีกอย่างองค์หาคือ 1. ไม่เป็นผู้บรรลุอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาแตกช้นในอัฏ 2. ไม่เป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกช้นในธรรม 3. ไม่เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกช้นในนิรุตติ 4. ไม่เป็นผู้บรรลุปฏิพานเปฏิสัมพิทา ปัญญาตแตกฉานในปฏิพาน 5. ไม่พิจารณาจิต ต, ตามที่หลุดพ้นแล้วอุบาลีภิกสุทั้งหลายไม่ควรสนทนากับภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลองค์ของภิกสุผู้ควรสนทนาด้วยอุบาลีภิกสุทั้งหลายควรสนทนากับภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์หองค์หคือ 1. เป็นผู้บรรลุอัฏปฏิสัมพิทา 2. เป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมพิทา 3. เป็นผู้บรรลุนิรุติปฏิสัมพิทา 4. เป็นผู้บรรลุปฏิพาณปฏิสัมพิทา 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วปุบาลีภิกษุทั้งหลายควรสนทนากับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลภิกขุโนวาทวักที่8จบหัวข้อประจำวัค ภิกษุณีสงฝ่ายเดียวพึงลงโทษภิกษุณีพึงลงโทษอีกสองในลงโทษภิกษุณีสามในไม่ให้โอวาดไม่ให้โอวาทอีกสองในไม่รับให้โอวาดที่ตรัสไว้สองในภิกษุผู้ควรสนทนาที่ตรัสไว้สองใน 9. อุพาหิกวัคหมวดว่าด้วยอุภายขะสมมุติไม่แต่งตั้งด้วยอุพาหิกา ท่าพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแลทรงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุพาหิกาพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้ทรงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุพาหิกาองค์หคือหนึ่งไม่ฉลาดในอัต 2. ไม่ฉลาดในธรรมสไม่ฉลาดในการกล่าวด้วยภาษา สีไม่ฉลาดในกระบวนอักษร 5. ไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หสงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์5คือ 1. ฉลาดในอัต 2. ฉลาดในธรรม สฉลาดในการกล่าวด้วยภาษา 4. ฉลาดในกระบวนอักษร 5. ฉลาดในคําต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละสงพึงแต่งตั้งด้วยอุพาหิกาไม่แต่งตั้งด้วยอุพาหิกาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุพาหิกาองค์หคือ 1. เป็นผู้มักโกรธถูกความกโกรธครอบงำส 2. เป็นผู้ลบหลู่ถูกความลบหลู่ครอบงำสาเป็นผู้ตีเสมอถูกความตีเสมอครอบงำส 4. เป็นผู้มีปกติริสยาถูกความริสยาครอบงำห 5. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แล สงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุพาหิกาแต่งตั้งด้วยอุพาหิกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หสงฆ์พึงแต่งตั้งด้วยอุพาหิกาองค์หคือ 1. ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำ 2. ไม่เป็นผู้ลบหลู่ไม่ถูกความลบหลู่ครอบงำ 3. าไม่เป็นผู้ตีเสมอไม่ถูกความตีเสมอครอบงำส ไม่เป็นผู้มีปกติริสยาไม่ถูกความริสยาครอบงำ5้ไม่เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนไม่มีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ง่ายอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลสมพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาไม่แต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อีกอย่าง ทรงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์หคือ 1. โกรธสองพยาบาทสาเบียดเบียนสยั่วให้โกรธหไม่อดทนไม่รับมนุษย์ศาสนาโดยเคารพอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลสทรงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้า สงเพงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค้าคือหนึ่งไม่โกรธสองไม่พยาบาทสามไม่เบียดเบียนสีไม่ยั่วให้โกรธหอดทนมีปกติรับอนุสาสนีโดยเคารพอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคห5นี้แหลสงเพงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาไม่แต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอีกในหนึ่งอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกทรงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปายกาองค้าคือ 1. เป็นผู้ให้หลงงมงายระลึกไม่ได้ 2. เป็นผู้พูดไม่เปิดโอกาส 3. ไม่เป็นผู้โจทย์ตามอาบัตในธรรมและวินัยที่สมควร 4. ไม่เป็นผู้ปรับตามอาบัตในธรรมและวินัยที่สมควร 5. ไม่ชี้แจงตามความเห็นอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปายกาแต่งตั้งด้วยอุปายกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าสงเพิ่งแต่งตั้งด้วยอุปายกาองค์5คือ 1. เป็นผู้เตือนให้ระลึกไม่ให้หลงงมงาย 2. เป็นผู้พูดเปิดโอกาส 3. เป็นผู้โจทย์ตามอาบัตในธรรมและวินัยที่สมควร 4. เป็นผู้ปรับตามอาบัตในธรรมและวินัยที่สมควร 5. ชี้แจงตามความเห็นอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละสงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาไม่แต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม่อื่นอีกสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์หคือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชังสลำเอียงเพราะหลงสลำเอียงเพราะกลัวหเป็นอรชีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้ า, าสงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาองค์หคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบ สองไม่ลำเอียงเพราะชังสามไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวหเป็นลัชีอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละสงพึงแต่งตั้งด้วยอุภายกาไม่แต่งตั้งด้วยอุภายกาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกสงไม่พึงแต่งตั้งด้วยอุพายกาองค์ห้าคือ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 หไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัวหฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้และสงพึงแต่งตั้งด้วยอุภัยกาองค์ของภิกษุผู้โง่เขลาท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแล นับว่าเป็นผู้โง่เขลาโดยแท้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีพิกสุผู้ประกอบด้วยองค์หนับว่าเป็นผู้โง่เขลาโดยแท้องค์หคือหนึ่งไม่รู้พระสูตรสองไม่รู้ข้ออนุลมพระสูตรสไม่รู้พระวินัยสไม่รู้ข้ออนุลมพระวินัยหไม่ฉลาดในฐานะอันควและฐานะอันไม่ควร อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลนับว่าโง่เขลาโดยแท้องค์ของภิกษุผู้ฉลาดอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านับว่าฉลาดโดยแท้องค์ห้าคือ 1. รู้พระสูตร 2. รู้ข้ออนุโลมพระสูตร 3. รู้พระวินยัยสรู้ข้ออนุโลมพระวินยัย หฉลาดในฐานะอันควรและฐานะอันไม่ควรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลนับว่าฉลาดโดยแท้องค์ของภิกษุผู้โง่เขลาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม่อื่นอีกนับว่าโง่เขลาโดยแท้องค์ห้าคือหนึ่งไม่รู้พระธรรมสองไม่รู้ข้ออนุโลมพระธรรมสไม่รู้พระวินัย สี่ไม่รู้ข้ออนุลมพระวินัยหไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลังอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลนับว่าโง่เขลาโดยแท้องค์ของภิกษุผู้ฉลาดอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านับว่าฉลาดโดยแท้องค์ห้าคือหนึ่งรู้พระธรรมสองรู้ข้ออนุลมพระธรรมสรู้พระวินัย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 สี่รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง5้ารู้ถ้อยคําอันเกียวเนื่องกันได้อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลนับว่าฉลาดโดยแท้องค์ของภิกษุผู้โง่เขลาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม่อื่นอีกนับว่าโง่เขลาโดยแท้องค์หคือ1ไม่รู้อาบัตสองไม่รู้สมุทฐานแห่งอาบัต สมไม่รู้ประโยคแห่งอาบัตสีไม่รู้ความระงรับอาบัตห้ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลนับว่าโง่เขลาโดยแท้องค์ของภิกษุผู้ฉลาดอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนับว่าฉลาดโดยแท้องค์5คือ 1. รู้อาบัติ2รู้สมุทฐานแห่งอาบัต สามรู้ประโยคแห่งอาบัตสีรู้ความระงับอาบัติ 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลนับว่าฉลาดโดยแท้องค์ของภิกษุผู้โง่เขลาอีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม่อื่นอีกนับว่าโ ง, ง่เขลาโดยแท้องค์ห้าคือหนึ่งไม่รู้อธิกรณ สองไม่รู้สมุทฐานแห่งอธิกรณ์สามไม่รู้ประโยคแห่งอธิกรณ์สีไม่รู้ความระงับอธิกรณ์ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แหลนับว่าโง่เขลาโดยแท้องค์ของภิกษุผู้ฉลาดอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านับว่าฉลาดโดยแท้องค์ห้าคือ 1. รู้อธิกรณ์ 2. รู้สมุทฐานแห่งอธิกรณ์รู้ประโยคแห่งอธิกรณ์รู้ความระงับอธิกรณ์ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลนับว่าฉลาดโดยแท้อุพาหิกระวักที่9จบหัวข้อประจำวักภิกษุไม่ฉลาดในอัดมักโกรธโย่ให้โกรธไม่หลงงมงาย ลำเอียงเพราะชอบไม่ฉลาดไม่ฉลาดอีกสุตตะ ร, รมวัตถุอาบัติอธิกรทั้งสองฝ่ายท่านประกาศไว้หมดแล้วขอท่านทั้งหลายจงเข้าใจทั้งฝ่ายดำและฝ่ายขาวเทิน